พระพุทธศาสนาเรามีอริยสัจสีเป็นเครื่องยืนยันหลักความจริงของศาสนาพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาจากอริยสัจสี่โดยตรงพระสาวกทั้งมวลอุบัติขึ้นมาจากอริยสัจสีทั้งนั้นอริยสัจจึงเป็นเครื่องยืนยัน หลักศาสนาว่าเป็นศาสนาที่แท้จริงไม่มีผิดพลาดคาดเคลื่อนแม้แต่น้อยพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนาก็เป็นเป็นอย่างแท้จริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าปลอมๆเพราะอริยสัจไม่ใช่ของปลอมเป็นของจริงล้วนๆผู้พิจาปฏิบัติตามหลักอริยสัจได้มากน้อยเพียงไร จะมีหลักใจได้มากน้อยเพียงนั้นคือคําว่าหลักใจได้แก่หลักใจที่อย่างเข้าสู่ความจริงซึ่งมีอยู่ในโลกในธรรมทั้งหลายมีความเข้าใจในอายศาสตร์สี่นี้มากน้อยก็ชื่อว่าเป็นผู้เข้าใจทั้งทางธรรมและทา ง, ง, ง, ง, ง, งโลกมากน้อยตามส่วนโดยลําดับลําดาบดังที่ท่าน แสดงหลักแห่งจิตหลักแห่งธรรมของผู้บะได้บรรลุจากการพิจารณาตามอริยสัจนี่ว่าพระโสดาพระตะกิตาพระอนาคาพระอารพระอารหัตหรืออรหันต์นี่นี่แหละเป็นหลักเครื่องยืนยันของผู้ปฏิบัติธรรมมีอริยสัจเป็นสำคัญมาก พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อุบัติขึ้นจากอริยสัจสี่นี้พระสาวกทั้งมวลอุบัติขึ้นจากอริยสัจสีออ่อันนี้เพราะฉะนั้นอริยสัจสี่จึงเป็นเครื่องยืนยันหลักความจริงของธรรมทั้งหลายด้วยของผู้เป็นเจ้าของศาสนาด้วยได้แก่พระพุทธเจ้าตลอดพระสงฆ์สาวกหรือว่า เป็นเครื่องยืนยันของพระไตรสนาคมนี้ด้วยคือพุทธธรรมสมนี้ออกมาจากอริยสัจทั้งนั้นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมไม่รู้อริยสัจไม่เรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมปาะฉะนั้นอริยสัจทำจะทำทั้งสี่จึงเป็นเครื่องยืนยันหลักของศาสนาและผู้เป็นเจ้าของศาสนาว่าเป็นผู้ปฏิบัติ รู้แจ้งแทงทะลุในแอแสตช์ทั้งสีแล้วโดยสมบูรณ์จึงสามารถประกาศาศารธรรมได้โดยถูกต้องแม่นยาไม่มีที่สงสัยในยังผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่ประกาศให้แก่บรรดาศัตว์ทั้งหลายนั้นได้บรรลุโดยลําดับกําดาไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใดตามพระพุทธเจ้าของเราประกาศมาแล้วในวงปัจจุบันนี้ได้แก่พระสัมมาคโคดมของเรา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 โดยลําดับลําดับอย่างแท้จริงทกุก็เข้าใจเรื่องทุกประจับใจสมุทัยก็รู้โทษของมันอย่างถึงใจด้วยมรคคือสติปัญญาใกล้พิจารณาสอดสองมองทะลุหมดแล้วอ่สมุทัยจึงได้ดับลงไปผลแห่งสมุทัยคือความทุกข์ก็ย่อมดับลงได้ด้วยนิโรธทันวานิโรธคือความดับทุกข์ ก็เพราะอำนาจของสมุทยัยนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันของศาสนา <c oughs> แล้วผู้ปฏิบัติก็เป็นเครื่องยืนยันในตัวเราอีกแต่ละท่านนะท่านที่ได้ปฏิบัติตามหลักอรยศยสัน์นี้โดยถูกต้องแน่นยำและสมบูรณ์แบบแล้วย่อมจะสามารถประกาศตนได้อย่างชัดเจนทั้งๆ ท, ที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเลยอริยสัน์นี้แต่จะประกาศจังวานความจริงขึ้นภายในจิตใจของผู้ได้บรรลุ ทำทั้งหลายจากอริยสัจนี่ความทราบซึ้งถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนาก็ทราบซึ้งในองค์อริยสัจนี้เป็นสําคัญเพราะนี้เป็นจักริพยานให้ทราบทั้งพระพุทธเจ้าทั้งการทรงผ่านไปของพระองค์ด้วยอริยสัจตลอดถึงพระสงค์สาวกทั้งหลายที่ได้บรรลุธรรมจนถึงขั้นอรหัตอาหารหันนั้นด้วนแล้วทั้งแต่เป็นผู้ได้ยังเข้าถึง อริยสัตว์ทั้งสีนี้โดยสมบูรณ์แวธรรมะที่ว่าแปดหมื่นสีพันพระธรรมกันนั้นก็อุบัติขึ้นมาจากอริยสัตวสีนี้เป็นหินลับหรือเป็นสิ่งสถานที่ขุดคุย้ยหรือขุดค้นขึ้นมาไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดแห่งธรรมทั้งหลายมีอริยสัตว์เป็นสัมผัสเพราะฉะนั้นอริยสัตว์ทั้งสี่นี้จึงเป็นเครื่องยืนยันของศาสนาพร้อมทั้งเจ้าของศาสนาได้โดยถูกต้องมั่นยาไม่มีข้อข้องใจสงสัยในผู้ปฏิบัติทั้งหลาย แม้จะไม่เห็นอง์ศาทดาก็ตา่างไม่เห็นพระอาหารหัตละหันทั้งหลายที่ท่านได้บรรลุผ่านมาแล้วก็ต่ า, ตามแต่ได้ปรากฏธรรมทั้งหลายขึ้นที่ใจของตนด้วยการกุดค้นอิย า, าสัตว์นี้ให้รู้แจ้งแทงทะลุโดยสมบูรณ์มาจากใจนี้เท่านั้นเป็นสัมผัสยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะฉะนั้นทำภาคปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องยืนยันตนเองได้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 การามาสูตรนั่นไม่ใช่ทำเล็กน้อยไม่ใช่ทำธรรมดาเป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากทีเดียวว่าไม่เชื่อด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นไม่ให้เชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นบาทีท่านพูดไว้ถึงสิบเก้าอย่างสิบอย่างไม่เชื่อตามภูตามอาจารย์ไม่เชื่อตามคนที่เชื่อถือได้ไม่เชื่อโดยอบอกเล่าไปโดยลําดับลําดา อะไรก็ตามถ้าเชื่อแบบนั้นไม่จัดเพาเป็นความเชื่อที่แท้จริงในหลังในหลักของสัจสันติติโกเลยท่านหมายถึงสันติติโกเป็นสําคัญจึงปฏิเสธเรื่องความรู้ความเห็นทั้งหลายหรือความเชื่อทั้งหลายเหล่านั้นเสียโดยสิ้นเชิงไม่ให้มีหลือไว้เลยเพราะจะให้รู้ขึ้นภายในใ จ, ใจิตใจด้วยสันทิติโกเท่านั้นจะรู้มากรู้น้อยรู้ขนาดไหนต้องเป็นรู้ด้วยสันทิติโกคือประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์ ก, กับตัวเอง โดยไม่ต้องถามใครเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับใจและรู้ชัดภายในจิตใจของตนโดยลําดับแห่งค่ะในขั้นอย่างทำทั้งหลายจนกระทั่งถึงมิมุติหลุดพ้นก็เป็นสันติสุขไปโดยลําดับลําดาจนถึงสันติสุขอันสุดยอดมี่ภาพปฏิบัติเป็นอย่างนี้สันติมั่ความจําเป็นอย่างหนึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งความจําที่เราศึกษาเราเรียนมาได้มากน้อยนั่นเป็นภาคความจํายิเลศ ยังไม่เรียกว่าเป็นการฆ่ากิเลสยังไม่เรียกว่าเป็นการชำระกิเลสต่อเมื่อได้นําความจำอันนั้นเข้ามาประพฤติปฏิบัติโดยโด้วยตามหลักที่ท่านสอนไว้นั้นนั่นแหละเรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติเมื่อได้ก้าเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไรก็จะรู้จะเห็นภายในตัวของเราเช่นอย่างท่านสอนมาเกีสาลูมานะขาตันตาตตะโจ b. เป็นต้อง อาการเหล่านี้เป็นอย่างไรนี่เป็นการวิภาควิจารเป็นการที่คลายสภาพทั้งหลายเหล่านี้ออกด้วยภาคปฏิบัติและเนี่ยจะทําให้รู้แหละทีน่นี้มันเป็นยังไงยังไงก็จะรู้เข้าใจโดยลดาําดับแลําดาไปแต่พูดถึงเรื่องอสุภะพหังความปฏิกูลโสโครกก็ไม่มีอะไรที่จะปฏิบูลโสโครกยิ่งกว่ากายเรากายมานุษย์ไม่ <c oughs> ว่าภายนอกภายในนี่เห็นด้วยภาคปฏิบัติต้องเห็นจริงๆอย่างนี้ไม่ได้ ภาคธาตุท่านท่านสอนท่านสอนไว้กลางๆว่าเกษาโรมานาขาดันตาตะจุกไม่ได้บอกว่าเป็นสุภะคือความสวยงามและไม่ได้บอกว่าเป็นอสุภาคือของไม่สวยไม่งามความเป็นของปฏิกูลโสโคกท่านยังไม่ได้บอกเอาไว้ท่านม่าไว้กลางๆผู้ปฏิบัติให้จับวัตถุที่ท่านสอนนั้นอาการที่ท่านสอนนั้นเข้าด้วยเข้าสู่ปัญญาหรือน้อมเข้าสู่ปัญญาหรือนําปัญญาเข้า ที่คายในสิ่งทั้งหลายที่ท่านบอกว่าเกสาเป็นอย่างไรรวมมาณขาทัานตาแตจูแต่และอย่างละอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เราพิจารณาถนัดชัดเจนในทั้งในอาการใดเป็นอย่างไรใหพิจารณาลงอย่างนั้นนี่แหละท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติเมื่อพิจารณาลงไปแล้วอาการ ข, ของอาการนั้นๆเป็นอย่างไรจะทราบด้วยปัญญาของตนเองเรื่องปฏิกูลเป็นลักษณะอย่างไรจะบอกขึ้นโดยทางปัญญา โดยลําดับลําดาบคำว่าอนิจจังความไม่เที่ยงความแปรสภาพเป็นอย่างไรก็จะทราบซึ่งภ า, ายในปัญญาของตัวเองทุกขงังนั่นก็เหมือนกันอนิจจังอนัตตาเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องทราบด้วยปัญญาไม่ใช่ทราบด้วยภาคปฏิบัติไม่ใช่ทราบเพื่อความจําความจําจําไว้เท่านั้นเหมือนกับเส้นบรรทัดขีดเส้นบรรทัดแล้วก็เขียนไปตามเส้นบรรทัด คว า, จ า, จามจำจำไว้เช่นนั้นแล้วปัญญาคลี่คลายไปตามความจำนั้นเราก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตเมื่อรู้แจ้งชัดเจนตามหลักความจริงตามส่วนแล้วย่อมจะปล่อยจะวางละถอนนี่เป็นผลขึ้นมาโดยลำดับท่านว่าปฏิเวทะเมื่อรู้แจ้งแทงทะลุแล้วย่อมปล่อยวางไปโดยลำดับทันได้จนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงตลอดไปหมดตลอดทั่วถึงทั้งสกลุลากายและอาการแห่งอาการของขันทั้งหัน โดยลําดับลาดาด้วยสติปัญญาจากภาคปฏิบัตินี่ท่านเรียกว่าสันทิฏิโกของผู้ปฏิบัติไม่ใช่ความจําความจําเราจํามาแล้วพอมาพิฆาตทางด้านปัญญาแล้วจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นภายในจิตใจอย่างนี้ทั้งพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้พระสาวกอรหรัตหลานท่านรู้ท่านรู้อย่างนั้นเองรู้ภาคปฏิบัติมาโดยลําดับลำดาเจงสอนให้ผู้นับถือพุทธศาสนาทั้งหลาย ได้มีภาคปฏิบัติด้วยถึงจะได้รถัถรบรสแห่งพระสัจธรรมตามหลักศาสดาที่สอนไว้เรามีแต่ความจําเฉยเฉยมันก็ไม่ผิดอะไรกับเรื่องเราจําริงทั้งหลายอันนั้นเป็นนั่นอันนั้นเป็นนั่นอันนั้นเป็นนั่นก็มีเพียงเท่านั้นจะให้ยิ่งเข้าไปกว่านั้นก็ไม่ได้ต้องเป็นภาคปฏิบัติอันถึงจะพิสดารเข้าไปโดยลำดัแบบนี่กับเหมือนกัน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 แม้ปัญญาจะยังไม่เกิดแต่สติต้องมีกำรรกับรักษาเช่นเราเริ่มต้นฝึกหัดภาวนาเราคำบริกรรมหรือนึกคำบริกรรมว่าพุโทโธหรือทำบทใดก็ตามสติต้องให้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆตลอดไปนี่ท่านเรียกว่าความเพียรเห็นกำหนดอนาปาณสติลมหายใจเข้าออกก็ให้สติรู้อยู่ความรู้สึกตัวอยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออก ไม่ส่งความรู้สึกนี้ไปที่ไหนๆนอกจากรู้อยู่กับลมที่หายใจเข้าหายใจออกนี้เท่านั้นนั่นเรียกว่าสติแล้วไม่คาดไม่หมายผลที่จะปรากฏขึ้นมากน้อยอย่าละเอียดเพียงไรไม่จำเป็นต้องไปคาดไปหมายจะหนีจากหลักแห่งปัจจุบันซึ่งเป็นสถานที่เกิดแห่งความจริงทั้งหลายตั้งลงในหลักปัจจุบั น, น <c oughs> เมื่อตั้งลงไปตังที่ตรงนี้ไม่เผลอ ความไม่เผอสืบต่อเนื่องกันโดยลําดับลําดาย่อมจะปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาภายในใจถ้าเป็นลมหายใจก็จะแผ่วเบาลงโดยลําดับลําดาจะบริกรรมคใาใดก็ตามอันเรื่องลมหายใจย่อมจะเบาไปเช่นเดียวกันเพราะจิตพาให้เบาจิตพาให้ละเอียดอาการทั้งหลายย่อมละเอียดนี่ท่านเรียกว่าความเพียรด้วยสติ ภูประกอบความเพียรย่าอิจนาละอาใจในการตั้งสติอย่าอิจฉาละอาใจในการประกอบความเพียรด้วยความมีสติอยู่ไหนก็ตามให้ระมัดระวงังจิตทั้งตนซึ่งครั่งต่อความคิดความปรุงเบื้อํานาจของกิเลสเป็นในไห น, ไหนอันนี้เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอํานาจฝังอยู่ภายในใจิตใจใจทั้งดวงจึงกลายเป็นโรงงาน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 ต้องลำบากในการที่จะแก้ไขดัดแปลงความรู้สึกเช่นนั้นให้เป็นความรู้สึกอย่างอื่นจากความรู้สึกในหลักธรรมชาติของกิตเรศทั้งหลายนั้นเสียกลายมาเป็นความรู้สึกแห่งธรรมนี่จึงยากจึงลำบากสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเช่นเรามาฝึกหัดภาวนาเบื้องต้นจิตนี้วรักแวกคอนแทนรวดเร็วต่อความคิดความตรุงต่อความรู้ความเห็นความสัมผัสัมพันธ์ต่างๆไม่มอะไรเร็วยิ่งกว่าจิต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 นั่นเป็นรากฐานสําคัญมากเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามหรือความเพียรทุกด้านให้หมุนไปได้แม้จะยากลาบากก็หมุนไปได้ช้าหรือเร็วก็ตามต้องหมุนไปได้านด้วยอํานาจแห่งความมุ่งมั่นเป็นสําคัญดึงดูดให้พาให้ไปนั่นละที่นี้เมื่อเราใช้ความพยายามความเพียรอยู่โดยสม่ําเสมอไม่อิหนาละอาใจต่อความเพียรเพราะอํานาจของกิเลสมันผลักมันดัน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 ทำนันมมีอยู่แล้วทำไม่สงสัยเรื่องว่าทำไม่แต่สาคัญที่จิตนี้มีอะไรปิดบังไว้ยังไม่สามารถไดยสัมผัสสัมผันธรรมได้ตามที่ตามที่ธรรมมีอยู่จึงต้องได้ใช้กันประกอบความทัาเพียรขุดค้นลงเต็มที่เต็มฐานเต็มพัศน์กำลังความสามารถนี่แหละเป็นทางที่จะให้สัมผัสสัมผัสธรรมทั้งหลายตั้งแต่สมะถะธรรม คือความสงบเย็นใจความสงบเย็นใจจากการภาว น, นาจากความภากเปลี่ยนนี้เราจะเห็นได้พายในใจของเราเอีกในขณะนั้นจิตที่เคยวุ่นวายจะสงบตัวลงเพราะหน้าแต่งความเพียนระงับดับกันแล้วก็จะยังเข้าสู่ความสงบเย็นใจเทียงเท่านี้เราก็เห็นความแปลกประหลาดภานใจเพราะแต่ก่อนมา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 จะเด่นขึ้นสองความภาคเพียนหรือความเพียนทุกด้านจะเพิ่มกําลังขึ้นโดยลําดับให้เราได้นุนความภาคเพียนมีกําลังแสกล้าสามารถขึ้นไปโดยลําดับกำดาความสงบเย็นใจก็จะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นในเมื่อได้รับการอบรมหรือการบํารุงส่งเสริมอยู่เสมอจะไม่ลดน้อยลงแล้วจะมีความละเอียดแห่งความสงบขึ้นไปโดยลําดับตกำดาจนเป็นที่แน่ใจ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 จะเป็นพื้นแห่งความสงบเย็นใจอยู่ตลอดนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเมื่อสงบหลายครั้งหลายหนเข้าไปก็สร้างพลังให้ตัวเองขึ้นจนกลายเป็นฐานแห่งความมั่นคงขึ้นมาเรียกว่าจิตเป็นสมาธิเนี่ยที่เราเคยเห็นในตำลับตำลาอ่านเป็นความจดความจำในตำลับตำลาว่าสมาธิคือความตั้งมั่นในตำลาท่านบอกสมาธิคือความตั้งมั่นมันตั้งมั่นที่ไหนนะ่ะสมาธิ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 ที่สงบครั้งนั้นครั้งนั้นรวมตัวเข้ามาเป็นเช่นนี้นี่ท่านเรียกว่าหยิบเป็นสมาธินี่เห็นได้ภ า, ายในใจนี่ก็เป็นสันทิิโกอันหนึ่งเห็นได้อย่างชัดไม่ต้องไปถามผู้ใดเลยรู้ได้ภ า, ายในใจของตัวเองนี่เป็นขั้นหนึ่งเพียงความสงบเท่านั้นก็เป็นพื้นฐานแห่งปัญญาที่จะพิจารณาคลี่คลายสภาวธรรมทั้งหลายได้ตามขั้นแห่งสมาธิที่จะหนุนปัญญาได้ไม่ใช่ว่า จิตเป็นสมาธิเต็มที่แล้วจึงจะพิจารณาปัญญาโดยไถ่เดียวเท่านั้นจิตมีจิตเป็นสมาธิขั้นใดภูมิใดควรแก่ปัญญาอันั้นนั้นที่จะพิจารณาคลี่คลายสภาวะตับทั้งหลายให้มีความรู้แจ้งเห็นสิ่งประดยุยลำดับได้และเป็นคู่เคียงไปดูลำดับตรรมดาเนี่องจากสมาธิมีความสามารถแจกระมากเท่าไรปัญญาก็กยิ่งพิจารณาได้อย่างรวดเร็วนี่ละหลักของสมาธิเป็นเช่นนี้ด้วย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 วุ่นมาเกยกับสิ่งนั like so ้นสิ่งนี้ด้วยความหิวโหยอารมณ์ต่างๆเหมือนคนที่ไม่มีสมาธิภายในใจจิตจึงเป็นของสำคัญที่จะต้องให้มีความสงบเพื่อเป็นบาดฐานของทางด้านปัญญาปัญญาจะได้ทำหน้าที่ของตัวโดยสะดวกเพราะจิตไม่ฟุ้งซ่านํำขานไม่หิวโหยกับอารมณ์แล้วแสสายทางโน้นแสสายทางนี้แย่งปะทะน้นขัดแย้งขัดแย้งทางนน้นขัดแย้งทางนี้ เพราะจิตสงบแล้วไม่ยุ่งจังหวัดจึงหวัดสมาธิอบรมปัญญาสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญามีความสามารถแก้วล้ามีความคล่องตัวทีนี้เมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาสิ่งใดที่เคยไม่เคยรู้ก็ เ, เห็นจะรู้จะเห็นขึ้นมาโดยลําดับลาดาไม่มีทางสิ้นสุดเช่นเดียวกันส่วนสมาธินั้นมีสิ้นสุดได้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 นี่อยู่ตัวเรียกสมาธิเต็มภูมิเป็นเช่นนั้นส่วนปัญญาไม่สิ้นสุดพิจารณาเท่าไหร่ ย, ยิ่งแยบคายไปโดยลำดับลำดาสฉุูความนึ้ว่าจนกระทั่งกิเลสทังทลายลงหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจเลยเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วปัญญานี้ถึงจะพอตัวหยุดนะถ้าดึงไม่ถึงขั้นนี้แล้วปัญญาจะไม่มีอยู่หยุดยัง จะมีความละเอียดแหลมคมไปโดยลําดับลําดาเช่นเดียวกับกิเลสที่มันละเอียดแหลมคมมากต่อหัวใจของสัตว์โลกหรือหัวใจของเราเองท่านสติปัญญาจริงต้องได้ใช้ความพิจารณาให้มากถึงขั้นที่พิจารณาพิจารณาเอาจริงเอกจากเมื่อถึงขั้นที่จะพักสงบเช่นเดียวกับเราพักงานเราก็ต้องพักไม่พักไม่ได้ออืทําแต่งานอย่างเดียวตายได้คนเราไม่รับทานไม่พักผ่อนนอนหลับ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 มีแต่อารมณ์แห่งสมาธิอย่างเดียวแล้วอยู่ด้วยความสงบเย็นใจพอถึงเวลาที่ควรจะออกจากความสงบแล้วเพราะมีกําลังพองสมควรแล้วก็ออกพิจารณาที่คลายทางด้านปัญญาปัญญาก็หมุนตัวไปเรื่อยๆด้วยการพิพจารณาปัญญานี้มีหลายขั้นตั้งแต่ขั้นอสุภะอสุพังไปด้วยลำหนับจนกระทั่งถึงอนิจจสุขขังนาตาทั้งส่วนยาส่วนกลางส่วนละเอียดปัญญาจะเดินตลอดทั่วถึงไปหมดเช่นขันยา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 ส่วนมากพิกาจารณาถึงถึงเรื่องอสุภะอสุภังจากนั้นก็แปรสภาพลงไปก็เป็นอนิจจังทุกขังเป็นยังไงบีบบังคับขานาดไหนดูเอะเราก็รู้อนัตตาเป็นสาระสําคัญควรจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้ที่ตรงไหนทั้งรูปกายของเรานี่ทั้งเบทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งเบญญายเอาการเหล่านี้เมื่อ เลื่อนจากรูปประคันนี้ไปแล้วมักจะพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ไม่ย้อนหรไม่พิจารณาเป็นอสุภะเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้อเรื่องว่าสุภะอสุภะมันมีเฉพาะเรื่องของกายตอนนั้นที่สําคัญมันหมายอไรต่างๆจึงต้องแก้ความสําคัญมันหมายว่าเป็นของสวยของงามนั้นด้วยการพิจ า, ารณาอสุภะอสุภะแก้กันพอขั้นนี้สมบูรณ์ภาณกิจใจคือพระจักกับปัญญาอย่างชัดเจนแล้วย่อมปล่อยวางทั้งสุภะคือคําสําคัญว่าสวยว่างามด้วย ทั้งอสุภาที่สําคัญว่าไม่สวยไม่งามด้วยไม่สนใจไม่ยึดในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งพอตัวในการพิจารณาแล้วผ่านไปในท่ามกลางแห่งความพอดีของตัวเองนั่นท่านเรียกว่าปัญญาผ่านไปนั้นแล้วไปพิจารณาอะไรก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นขันละเอียดคือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเรียกว่าน้ำมขันนามขันนี้พิจารณาด้วยไตรลักษ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 แล้วก็ย่อมปล่อยวางเช่นเดียวกันกับรูปคือรูปกายของเหล่านี้แล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้านี้เป็นอาการอันหนึ่งของจิตเท่านั้นไม่ใช่จิตนักภาวนาจะทราบเียงโดยไม่ต้องสงสัยยิ่งถึงขั้นพิจารณาทางด้านปัญญานเนี่แล้วชาบชาบได้อย่างชัดเจนว่ารูปนี้คืออะไรไม่สงสัยเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณแต่ละอย่างละอย่า ง, างเป็นธรรมาชาติของมันเป็นอาการของขอ ง, ของจิตแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้น หาความเป็นจริตมีที่หลาไม่มีทราบได้อย่างชัดเจตและปล่อยวางได้ตามเป็นจริงลงได้ตามเป็นจริงของมันหนักนี่หลักของการพิจารณาทางด้านปัญญาท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติรู้ต้องรู้อย่างนี้จึงรู้จริงเห็นจริงรู้อย่างนี้พิจารณาอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาอริยสัจการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นอะไรคือพิจารณาอริยสัจทั้งนั้นอสุภพระอรุณพังคืออะไรสมุทัยมันว่าสวยว่างงามนั่น อาตูพะความไม่สวยไม่งามคือมากนั่นสับมันเข้าไปฟันึันเข้าไปให้แหลกแตกกระจายลงไปหาความสวยงามก็ไม่ได้หาความไม่สวยไม่งามก็ไม่ได้มันเป็นสภาพแห่งธาตุอันหนึ่งหรือดินน้ําลมไฟไปเต่า น, นั้นเราหาความสวยงามที่ไหนได้ในดินในน้ำในลมในไฟนี่นี่เรียกว่าอริยศาสตร์นี่แหละการพิจารณาหลักขีดนี้เหละพูดแล้วว่าหลักพรัชศาสนาคือหลักอริยศาสตร์เป็นเครื่องยืนยันการพิจารณาต้องพิจารณาตามหลักอริยศาสตร์นี้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 ดูก่อนพี่สู่ทั้งหลายจยิตเดิมแท้ผรองใสเป็นพระพัทสอนแต่อา ย, ยกิเลตมันจอหมาหลางหลานนี่ขั้นของจิตของผู้ชาละพระพัทธสอนก็มีแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นอาการตั้งห้า น, นี้ก็ทราบแล้วว่าเป็นอาการและไม่ยึดมั่นถือมั่นอาการทั้งหลายนี้ด้วยออนอกจากเวทนาจิต ท, ที่มันมีอย่างละเอียดที่มันยังไม่สามารถ แต่ยังไงก็ไม่ไม่พ้นเรื่องการพิจิินิพิจารณาพระพุรธสอนที่จะพังไวัตถุกันได้ด้วยปัญญาเหมือนกันนี่หละการพิจารณาอริยสัจทั้งนั้นนั้นนะที่กล่าวมามทั้งหมดทีนี้อาตมาพระพุศศรธสอนคืออะไรอวิชชาไม่ใช่ไม่ใช่อริยสัจจะเป็นอะไรไปนั่นแหละตัวสมุทัยรากแก้วของสมุทัยคือวิชานั่นแหะที่ว่าเป็นพระพุทธสอระสอนที่สสว่างกระจางแจ้งท่านเอาโอห่าสิบหกอะไรที่กล่าวนั้นนี่แหละรวมตัวลงมาเป็นอ น, นิม มาอยู่ที่นี่ทราบได้ด้วยภาคปฏิบัติเพียงเราเรียนเรียนเท่าไหร่ก็เรียนเถอะเรียนจนกระทั่งบรรลัยหาความหายสงสัยไม่ได้เลยต้องเป็นภาคปฏิบัติเป็นสําคัญนี่เมื่อพิจารณาทางภาคปฏิบัติด้วยอริยสัจธรรมผ่านอริยสัจธรรมเข้าไปแล้วจะเจอกันโดยลําดับพิจารณาเรื่องสมุทัยสัจตันเป็นจอมกษัตริย์วัฏจักรนี้ด้วยมรรคกษัตริย์เคือมหาสติมหาปัญญาฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปที่ตรงนั้นแล้วแตกกระจายไม่มีอะไรเหลือแล้วไหน ที่นีมเรื่องที่เคยเป็นนู่นศักด์เรื่องที่เคยเป็นข้าศึกต่อหัวใจเราคืออะไรทําไมจะไม่ทราบว่าก็คือหมดอวิชชานี้อันเดียวนี้เท่านั้นเป็นตัวใหญ่เป็นจอม ก, กษัตริย์ทั้งหลายแ ห, แห่งวัดแห่งวัดตะกิดมีแล้วอาการทั้งหลายทําให้หลงหมดก็เพราะลากเงาข้อมูลมันคืออวิชชาพาให้หลงนั่นมันก็ทราบเมื่อได้ถอดถอนหมดไม่มีอะไรเหลือแม้แต่กระทั่งอวิชชา แต่กระจัดกระจายแทนออกจากจิตใจหมดแล้วมีอะไรมาคล้องพนันไจซิ่งจะมีอะไรนั่นแหะท่ออานแบบอวากาศของจิตอาวากาศของธรรมเวิ้งว้างไปหมดข้างนอกก็ว่าก็ว่างข้างในก็ว่างข้างนอกก็ปล่อยวางข้างในก็ปล่อยวางไม่ยึดถือไว้โดยประการทั้งปวงทั้งภายนอกภายในเวิ้งว่างไปหมดอย่างนี้เรียกว่าอวกาศของจิตอวกาศของธรรมอยู่ที่ไหนก็อย <ป große. S 1> ู่ที่อวิชชาแต่กระจัดกระจายไปแล้วไม่มีที่อยู่ยึดอะไรกันออยึดหาอะไร ยึดหาพบหาชาตินั้นแหละถ้าลงยึดอยู่ต้องเป็นพว้เป็นชาติภายในใ จ, ใจิตใจรู้ชัดๆนี่แหละภาคปฏิบัติไม่เคยรู้ก็าตามเมื่อถึงขั้นรู้ปิดไม่อยู่ฮะเมื่อถึงขั้นเชื่อแล้วปิดไม่อยู่เลิ่มเชื่อเชื่อธรรมทั้งหลายอริยสัจเป็นตัวยืนยันเป็นหลักธรรมที่ยืนยันแห่งความรู้แจ้งแทงทะลุทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยนี่นี่มันก็สะเทือนไปถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสดามีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าเอาอันนี้มีหรือไม่มีที่รู้อยู่พายในเวลานี้นั่น มันบอกใครเป็นคนสอนไม่ให้ใเราเรารู้อย่างนี้ถ้าไม่ใช่ศ า, ศาสดาศาสดาไม่ผ่านแล้วเอาอะไรมาสอนเรานักมันยอมลับยอมรับยอมลั บ, ลบโดยล้มลั่ด่าชาวกอรหันต์หลานทั้งหลาย้วนแล้วนนแต่ผ่านอริยสัจนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาหรือศาสนธรรมของที่เจ้าจึงไม่มีที่สงสัยเทียบกันหน้ากับว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเอา้าวก้าวเข้าไปตลาดที่มันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสินค้าต่างๆ ขอจําว่าเรามีเงินหรือไม่เท่านั้นละ่ะจะเอาอะไรไปซื้อเอาเลยอนับตั้งแต่สตางค์หนึ่งขึ้นไปถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านบาทซื้อได้หมดของในร้านในตลาด <c oughs> นั่นไม่อดไม่อัดไม่อ่อนอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเรื่องมรรคผลนิพพานในศาสนาพุทธเหล่านี้มีทุกแง่ทุกมุมทุกด้านเหมือนกันหมดสําหรับตั้งนักสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่ทานนะ้ำบาลมีสีหรบาลมีเลือดทานถิ่นภาวนาโดยลํดดดดดาดับลำดาบอ้าวเราจะสร้างอะไรสร้างกันไป สติก็เอาตั้งแต่เริ่มล้ลลมลุกคุกคลานปัญญาก็เริ่มแต่ล้มลุกคุกคานไปจนกระทั่งมีความเฉลีย่ยเฉลี่ยแต่ขแขนไปไม่มีสิ้นสุดจนถึงยิ้มมุขผลิพานหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงนี่แหละท่นน า, นานหวานมรรคผลิพานเต็มที่ในศาสนาธรรมของพระเจ้าคือตลาดแห่งผลิพภานกระจายอยู่ภายในหัวใจนี่นะไม่ได้อยู่ที่ไหนแล้วจะไปเข้าใจว่ามีอยู่ตามตู้ตามหีดังอภินันมีแต่ชื่อขอมรรคผลิพานนะทุก สมุทัยนีโ้โล่มากนั่นมีแต่ชื่อท่านสอนเข้ามาที่หัวใจเรานี่ให้ปฏิบัติที่หัวใจนี้กิเลสอยู่ที่หัวใจเรานี่เวลานี้ไม่ได้อยู่ที่หนังสือนะเออทุกข์ก็ไม่อยู่ที่หนังสือไม่ได้อยู่ที่คำภีร์สมุทยัยตัวกิเลสราคาตันหาไม่ได้อยู่ที่คมภีร์นี่รุคือความดับทุกข์ก็มีแต่ชื่อในคมภีร์ไม่มีตัวทุกข์มันไม่มีตัวดับทุกข์มรรคคือความรูแ้แจ้งทางทะุด้วยสติปัญญานั่นมีแต่ชื่อของสติปัญญาสติปัญญาจริงๆอยู่ในหัวใจของเรานะ กิเลสจริงๆอยู่ที่หัวใจการฆ่ากิเลสฆ่าที่หัวใจด้วยความภาคเพียน ด, ยด้วยสติปัญญาที่เป็นอริยสัจฝ่ายมากพังทลายลงไปในทุกสมุทัยที่เป็นเป็นฝ่ายผูกมัดภายในหัวใจแล้วแตกกระจายลงไปแล้วนี่แหละท่านมาทรงพระผลิพานทรงที่นี่ไม่ได้ทรงที่ไหนนะรู้แจ้งแทงทะลุรู้ตรงนี้ไม่รู้ที่ไหนเอาให้จริงจังนะักปฏิบัติอย่าเลี้ยวหลๆอย่าหลอกตัวเองวันนั้นหลอกไปวันนี้หลอกไปเลยจะไม่ได้เรื่องได้แล้วนะพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ตื่นโลกตื่นทงสารไปไมาได้ดูหัวใจของเจ้าของมันมีอะไรมันหลอกให้ตื่นอยู่นั่นน่ะเวลาเนี่ยเอาทําจากเข้าไปสติสติปัญญาจากเขาไปเลยมันจะรู้เรื่องรู้ราวพระพุทธเจ้าสอนให้ดูใจเป็นสำคัญที่สุดใจนั่นตัวเป็นตัวก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวก่อทั้งวันทั้งคืนอยู่เฉยเฉยมันมีเมื่อไหร่จิตนั่นดูที่ทำมีสติจะต้องรู้จิตอยู่เฉยเมื่อไหร่มีแต่ก่อเรื่องก่อราวเรื่องไหนคือผ่านมากี่กับกี่คันกี่ปีกี่เดือนมันเอามา อุ่นหลอกเจ้าของนั้น่ะไม่มีความจืดจางไม่เห็นว่านี่เป็นเดนเป็นเดนแล้วนะเดีย๋ยวมันหลอกเราอันนี้เป็นเดนไปแล้วไม่เคยมีถ้าลงไปเรื่องของกิเลสหลอกแล้วกินมันยังขําคืนยังรุ่มกินจนจะตายอืมให้กิเลสมันหลอกให้กินให้กินพู ด, ดง่ายๆเอาอย่างนี้แหละมันเต็มเม็ดจต็หน่วยกับความโง่ของพวกเราอต่ว่ากินกินนี่แหละกิเลสหลอกอะไรกินหมดไม่มีคําว่าอันนั้นเป็นเดนนี่เป็นเดนด้วยอํานาจของปัญญาบ้างไม่มีเลย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 เลยใจตรงนี้เลยกลายเป็นสถานที่ทํางานแห่งการทำผิดทําขึ้นมาพายในจิตใจเลยกลายเป็นอวกาศของจิตอวกาศของธรรมขึ้นที่ใจของผู้นั้นโดยไม่ต้องส้องใจนี่คือการปฏิบัติธรรมแล้วหาที่ไหนหาธรรมไปลานี้มันอยู่ที่ไหนธรรมน่ะทำไมอยู่ที่หัวใจถามที่กิเลสมันอยู่ที่ไหนปิดไม่รู้ธรรมเห็นธรรมอะไรปิดก็นอกจากกิเลสท่านั้นมีอะไรปิดฟันทกิเลสลงไปด้วยสติปัญญาสตากลความเปี่ยนเอไว้แล้วไม่ได้บอกธรรมอยู่ที่ไหนจะรู้เองใจเท่านั้นจะเป็นผู้ตรอสัมปัต สัมผัสกับธรรมต่างหลายอย่างอื่นสัมผัสไม่ได้ถ้าใจนี้พร้อมเสมอขอให้ได้เปิดเผยตัวเองออกมาเถอะอยังนายจะรับรู้เราเห็นไม่ว่าธรรมขั้นใดจะประกาศกลางบานขึ้นที่หัวใจดวงนี้ทั้งนั้นเพราะนั่นคือขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งอกตั้งใจช่วยปฏิบัติเสริมทัติกําลังความสามารถเราอย่าตื่นพบตื่นชาติเราอย่าตื่นมตฏฐสงสารอย่าตื่นเรื่องความเกิดเจ็บเกตายอย่าตื่นโลกมันเกิดเจ็บตายมาอยนี้มีตั้งกับตั้งการขี้กับขี้กันแล้วในลายของเราคนหนึ่งคนหนึ่งเท่า น, นั้นนี่ไหมสงสัยพูดโก่ง พอได้ค้นเรื่องอริยสัจให้มันแตกกระจายภายในหัวใจแล้วไม่สงสยัยนี่พูดจริงๆการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อ น, นี้ก็พูดด้วยความจริงใจจริงๆไม่ได้ลูกๆคำๆออกมาพูดนะเวลาโง่ไม่ต้องโง่หัวใจดวงนี้เวลาฉลาดไม่ต้องบอกไม่ว่าหัวใจดวงไหนถึงขั้นฉลาดแล้วฉลาดเองเหมือนกันเมื่อถึงขั้นฉลาดแล้วไม่โง่นะอืมถ้าโง่จะกิเลสมันจะพังได้ยังไงใจต้องเป็นใจฉลาดที่กิเลสพึ่งจะพังมันผิดขึ้นมาความฉลาดมันอยู่ในหัวใจของทุกคนผู้ทยาสอนไว้ทุกคนนะอืมสติปัญญาอยู่ที่ไหนสอนพวกเรานีนทั้งนั้น เราเป็นลูกิทธาโคตไม่ใช่ลูกศิเทธวธาตุาทำลายศาสนาอยู่ภายในวงของพระของตัวเองที่หยิ่งหรือว่าตัวมีความป้าความเพียนความเพี้ยนขี้หมาอะไรมีแต่ความเพียนที่เด็ดมันฟัดหัวเมานั่นแหะถ้าสติไม่มีเป็นอย่างนั้นเอาละการแดงตามพระบอสปวดโอ้ยเหนื่อย <c oughs> นี่แนะหละเฮ้มันลึกลํามากนะจิตลึกน้ามากจริงๆไม่มีอะไรที่จะสามารถแกะมันออกได้เลยนอกจากทำพระพุทธเจ้าทรรมนั้น ด้วยภาคปฏิบัติทําก็ทําก็ทําเถอะเรียนก็เรียนมาเถอะถ้าไม่ใช่ภาคปฏิบัติแล้วจะไม่หายสงสัยในสิ่งเหล่านี้เลยก็ธรรมดาเหมือนคนเขาไม่ได้เรียนนั่นแหละเลือดเป็นอย่างนั้นไปนะอืถ้ามันมีอะไรเห็นไม่มีอะไรรู้มีแต่ความจํำมาเฉยๆความจริงไม่มีพอที่จะเอาพิสูจน์กันได้เลยจะ อ, อะไรมาเชื่อมนุษย์เรานะออพอความจริงมันจับมันเข้าจําเข้า เห็นด้วยตาสิ่งใดก็ไปเห็นด้วยตาเราแล้วความเชื่อมันบอกเองไม่ต้องให้คนใดมาบอกพอพอมองเห็นปั้มนีู่มันเข้าใจพอได้ยินปั้มมันเข้าใจ น, นั่นนั่นแหละถ้าลงมันได้สัมผัสแล้วมันก็เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองไปได้นี่อาจารย์พิทิโกก็เหมือนกันภาคปฏิบัติถ้า ม, มีภาคปฏิบัติเลยก็ไม่ผิดแล้วเราท่านๆน่เรื่งเรียนเรียนมากเรียนน้อยที่เรียนไม่ได้ทะเลาะเปลเปลิกเลยดีไม่ดีท่านลงตัวด้วยว่าเรียนมาก นั่นเสริมที่เหลี่ยกนไปอีกมากทีก่กว่าคนธรรมดาสำคัญหญิงเนี่ยจะจออกด้วยด้วยนัว่าเรียนมากอื่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติคือพอปฏิบัติแล้วจะเริ่มพังทิฏฐิมรณาเหล่านี้ช้ำความช้ำพันตนนี้ลงไปโดยินดับธรรมดาพังลงไปพังลงไปพังลงไปต่อไปก็เห็นโทษอ่ะทางความช้าคัญของตงนนี้จากนั้นก็พังหมดเลยที่เหลี่ยมพังเป น, นั่นนะถ้ามีมากความเพียรไม่ค่อย เข้มแข็งนะทํามากๆแล้วมันอืดอาดเหนอยหน่มันไม่เหมือนน้อยนะอต่นี้มันก็ได้อันหนึ่งมันก็เสียอันหนึ่งจะทําะไรผมบูกเป็นหัวหน้านี่ก่อนลบากเหมือนกันนะใครก็อยากมาก็อยากมามีน้อยคนเพี่งนันก็เข้มแข็งดีทําอะไรก็คล่องตัวเพราะไม่มากทํามากแล้วมันก็อืดอาดไม่เกี่ยวโยงกันไปหมดวัดนี่ คิดดูจียิงจัดอาหารเท่านี้ก็พอแล้วดูยิงมากแรมันก็ยิงอืดอาดเหนือ่อยหนายอ้หลังว่ากันี้คนภาคเพื่อนนั่นเป็นหน้าเป็นหลังอะไรเรามาแหกอันดีเฉยหาตุเนื้อหาต้นหาตัวก็ไม่เจอ น, นี่พะลูกอัอนพระกรรมฐานสายหลวงปู่ ม, มั่นนี่อัน มันจะลงไปขายตัวกันที่กรุงเทพเยอะนะเราวิจตก ว, วิจารานันกันเหอเนี่ยบ้ามันมีคนเคารพบ้างอะไรบ้างเป็นบ้าขึ้นนะว่าดินเหนียวติดหัวทั้งว่าตัวมีงอนขึ้นแล้วอันนี้แหละสำคัญทำให้ศาสนาเสียขายตัวเองหลังไหลไปกรุงเทพ กรรมัฐานมันเป็นนะมันเป็นแน่ๆไม่สงสัยผู้มุ่งอมามุ่งทำาหาตั้งแต่ที่สงัดที่เวกประกอบความพักเปลี่ยนพนันนั่นผู้เป็นธรรมผู้จะทรงอัจฉริธรรม่คือผู้เช่นนั้นไม่ใช่ผู้เหอะเหอเหอกัน อ, อย่างนั้นอืมี็หมืแนแหกันลงไปสักการโรพุสังหันติกลงตรงนั้นจิ ลา ก, การะบูชามันตายเพราะลาบส ก, การะบูชาเพราะความนับถือให้คนอื่นมานับถือเจ้าของมานับถือเจ้าของมันได้เรื่องอะไรอเอจ้าของนับถือเจ้าของที่ประคองเจ้าของให้ดีเรื่องนอกฟังตะวันนอกเป็นไรเรื่องในคือเรื่องตัวเองดีช่วมประกาศอยู่ในตัวของเราเองอย่างไรมันจะดีก็เอาลงไปตรงนี้อันนี้ดีแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรระภายนอก เรื่องคนนับถือเขานับถือก็เป็นเรื่องของเขาเป็นความเชื่อความเลื่อมใสมันเรื่องสาย อ, อยู่ในหัวใจของเขาเขาบอกฟองไสฟองใ ส, ง ใ, สในใจของเขาใจของเราเหมือนกับทานไฟมันได้เรื่องอะไรอืถ้ามีไฟอยู่กระแดงโล่ถ้ามีไฟกระดำไปอีนน่นทานไฟไปนั่น่ะนยิ่องอะไรมีครูว่าอาจารย์ก็ยิ่งร่วงร่วนรับไปยิ่งร่วงรับไปแล้ว น, นี่เน่ยมันจะแสงหน้าไปแล้วจะมีปลายใหญ่แล้วไม่มีที่เคารพนักถือไม่มีที่ระวังเหลือยงยิ่งปลายใหญ่ความไม่มีธรรมเป็นอย่นั้นอคิเดียมันเร็วนะรวดเร็วที่สุดต่อการสังหารธรรมไม่มีอะไรเกินอี่เดียมความรวดเร็วในการทําลายจตนาทําลายตัวเองกับการสอกกบการกับการก่อสร้างอันหนึ่งอันนี้ผมก็วิตกมากเหมือนกันนีกขู่หมู่เพื่อนไว้ผู้ที่ ยังเคารพในธรรมอยู่ก็จะเชื่อครัวอาจารย์ครูที่มันหมดความเชื่อธรรมแล้วอ ก, ก็จะถือวัตถุเครื่องก่อสร้างนั่นแหละเป็นเครื่องประดับเกียดบ้าของมันเป็นแน่ๆ น, นะนี่ฟังมาวัตถุเป็นไรมันเต็มแผ่นดินอยู่นี่วิเศษวิโสอะไรใครเกิดมาก็เกิดมากับวัตถุวิเหรือท้องแม่กับวัตถุนั่นจะเป็นอะไรไปถ้าวัตถุบ้านเรือนเจา้าานที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอาศัยมันมีแต่วัตถุทั้งนั้นวิเศษอะไร เราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราต้องเอามาเทียบ ม, มาเคียงสิพระพุทธเจ้าวิเศษวิเศษอะไรพิจารณาสิวิเศษ ไ, ไ, ได้วัตถุหรือวิเศษ ด, ด้วธรรมนั่นเพียงท เ, ททบบ เ, เท่านั้นจิตมันก็ปักเข่าในธรรมแบบเฮอเฮ่เพียเท่านั้น่ะตายทิ้งสองผมจะเอาเป็นนักกรรมาฐานเราเรื่องการก่อการสร้างยุ่ง หัวใจจะของไม่ยอมสร้างไม่ยอมปรับปรุงไม่ยอมแก้ไขนี่สิไปหาสนใจไปหาเก่าอย่างที่ไม่คันทาถลอกปอกเปิดไปเรื่อยๆที่มันคันๆอยู่ในหัวใจไม่ยอมเก่านี่มันขัดกับทำอยู่ตลอดเรียบต้องได้เปรียบทำเสมอไปหละหนึ่งกัหมดไปแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ต่างหลายอาอยุี่มีที่ไหนเดี๋ยวนี้ มันย่อมีที่เกาะที่ยึดได้ถ้าไม่ยึดหลักธรรมหลักวินัยแล้วหาที่ยึดไม่ได้แล้เหมือนว่าเชือกขาดบนอากาศหัวปักลงมาขั น, นด้วงันไม่มีหลักไม่มีธรรมวินัยเป็นเครื่องยึดของใจเราเป็นอย่างนั้นหรอวินัยเอาหัวปักไปเลยอืถ้าขันุ้วันนี้เหมือนก็ อ่อนเต็มที่แล้วนมันปล่อยไปแล้วอย่างที่ว่านี่แนะไม่ซ้ำเด้งมันเป็นอย่างหัวใจเจ้าของเองมันปล่อยมันมันลาคาญถ้าพูดจะแบบว่าลาคาญแต่มันไม่แบบไม่ใช่ลาคาญแบบอะไรจะว่าเป็นี่เลสหรือมันก็ไม่ใช่เป็นมันรู้ในตัวของมันเนาะกำลังวังช้างเราที่จะทําประโยชน์ให้โลกนี้มันอ่อนตัวลงไปมันก็ไม่อยากจะเล่นอยู่เจ้ของคนเดียววันหนึ่งวันหนึ่งพอดี ก็ทรงทา่าสรงขันนี้ไว้เท่านั้นพอแล้วไม่อยากยุ่งกับอะไรพูดกับใครมันจําเป็นก็ได้พูดอย่างที่เห็นกันอย่างนี้ตอนเช้าก็ทนเอาทำอหันแล้วเพราะเมืองอุดอรนี่เรบอกเขาไว้แล้วว่าอุดอรนี่เป็นเหมือนกับเมืองเจ้าของถ้าหากว่าจะมาก็มาจะตอนเช้าซึ่งเป็นเวลาที่เราลงอยู่แล้วลงมาสลา น, น, นเวลาเขามาตอนเช้าแล้วเขาอยากกบอยากเห็นอยากมาทําบุญให้านก็ล้วก็รู้กาสพูด ถึงจะลําบากก็ทนเอาตอนนั้นพูดคุยกับเขาบ้างพอสิ้นลแล้วก็ให้เขากลับไปหลังจากนั้นแล้วก็ไม่อย่ น, นั้นอุดรเนาะแล้วบอกมันไม่มายุ่งเหนือเราได้รับแดดตอนเช้าก็อย่างนั้นทนเอาหัวใจคนเราถืนหัวใจเปน็นนําคัญนื้อหนนไปอย่างนั้นนะเพื่อหัวใจทั้งกล้ทัทง้งไกลมีแต่หัวใจมาหัวใจมีคุณค่ามาก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 แมต่ธาตุขันธ์ที่อยู่ด้วยกันเนี่มันก็ก็ได้เคยพูดแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่คนมันก็เหมือนเครื่องมือเหมือนเรายกันนั้นจับนั้นขึ้นมาฟันมั้นจับมันนี่จับมี่จับมาจะมาฟันนั้นฟันนี่อันนี้อันที่ น, นี้ก็เหมือนกั น, กนมันก็เป็นร่าง เ, เครื่องมือของใจเท่านั้นเองจะเป็นอะไรไปรู้เลยครับชัดอยู่มันก็จะสื่อมาเลยอีกความรู้นั่นแบบขามอะไรนาะ วันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็มีแต่มื่อกับแย้งอยู่นั้นมีอะไรพิเศษบ้างพีนาที่นักปฏิบัติมีแต่มืม่อกับแย้งมื่อกับแย้งแจ้งฉะนั้นเนี่ย่วงไปวันหนึ่งวันหนมีอะไรแปลกประหลาดสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ก็ต่ามหูจมูกนิ้งกายใจของเราที่จอสัมผัสสัมพันธ์ภายนอกภายนอกก็มีสิ่งที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาแล้วตื่นอะไรแน่หลงอะไรกันเอาละเดี๋ยวเลิกันเลยเอานี้ออกไปนี่